ฐานสุมาสุคุมกันเข้าได้แล้วก็ไม่ยังไม่กล้าติดตามเหมือนกันเพลงฝีมีมือเองเจ้าลุมน้อยวัยสแปดผู้นี้สำคัญนะก็ศึกษากันว่าถ้ารานคนนี้ห้าหานหานะถ้าเราพร้อมใจกันไล่จับตัวให้จงได้คงจะสำเร็จหานล้วนจะมีฝีมือจำมวนร้อยของสุมาสุ คิดแบนี้แล้วก็ควกม้าไล่ตามไปไล่าตามไปบุญแหญ่งก็กลับมาหน้ามาทหังก็มาช่วยได้ร้องตะวาดว่าไอ้พวกทหารหนูไม่กลัวแก่ความตายหรือและบุญแหญ่งก็ทากกระบอกเหล็กเข้าไล่ตีทหารมีฝีมือของชู ม, มาสูจํานวนร้อยรวมตายเป็นอันมากแต่ทางชุ ม, มาสูแต่แล้วก็รวมตัวเด็กติกลับไลต่ตีตามมาเป็นเช่นนี้ ทนถึงสครั้งหครั้งมืเองทหารนุก็ใ้กระองเหล็กเป็นอาวุธตีล้มปลยลุทุกครั้งไปจนในที่สุดทหารมีฝีมือจำมวลรอยของสุมาสูนะ่ะไม่อาจจะสู้มืเองแตเยูเ ด, เดวดล้มปลาลมาเข้าทุกปีปนอย่างนี้ทุกครั้งหครั้งในที่สุดก็ต้อง คอยกลไปเติมเองนี้สามารถมากงพลังเป็นที่ยู่ฝีมือไม่มีใครกินได้หงเปนงนายก็เอาชนะบุนเองนี้ได้ที่นีฝ่ายบุญขินผู้พอ่อกด น, นันหมายไว้เป็นอย่างดีแล้วนี่ คือว่ามิหิมเนี่ยโยกองทัพออกมาในตอนกลางคืนวันนั้นอ้อมไปข้างเขาโยกเวียนวงหลงทางไปหลงทางไปอาหารทางกลับมาตีค่ายเขาไม่ได้ี่เกิดอัศจารย์ขึ้นอย่างนั้นก็มันไม่ไม่อาจจะมาตีค่ายสมาซูทางด้านทิศใต้ตามที่นัดหมายกับ ลูกชายไว้ได้เป็นอย่างนั้นจนรุ่งเชา้าครั้งเช้าแลไปก็ไปเห็นทัพมุนเองอะ่ะคือคือแรมไปไม่เห็นทัพมุนเองคือตอนเช้านํามาได้ละตอนกลางคืนเนี่ยมันหลงไปพอเช้ามาได้เข้าสู่ยุทธภูมิมีเห็นกองทัพลูกชายเลยเห็นแต่กองทัพสุมาสูรีชายชนะบุกไร่หมากมาไว้กําลังนะมุ่นขีม ก็ถอยทับนีไปทางเนืองชิวฉุนมีทหารสุมาสูคนหนึ่งชื่ออินใต้โบแต่เดินอินใต้โบเนี่ยเป็นคนสนิทไว้ใจของโจซองนะตอนที่โจซองเป็นใหญ่เป็นผู้ดใหรัชการมีอำนาจยิ่งใหญ่นักหนาจนในที่สุดซุมาอี้วานแผนปฏิวัติฆ่าโจซองและพัดพวกเสียแล้วเนี่ย อินไต่บอกคนนี้ก็มาอยู่กับสุมาสูก็คิดที่จะฆ่าสุมาสูเพื่อแทนคุณแกโจซองนายเกา่าและแต่ก่อนนู้นอินไต่บอกคนนี้กับบุญคินเนีระกร่รกันมากครั้งมาครั้งนี้บัดนี้ขนาดนี้สุมาสูรปวยมากด้วยจักสุ้ขึ้นตาเป็นต้อแล้วก็มีการถาตาดเกินขึ้น มันไม่จะหายเลยทันทีอ่ะผ่าแล้วยังจะต้องมาในการสงครามอย่างนี้ด้วยอ่ะอ่าอินไต้บอกเนี่ยก็ยังหาได้คิดอ่านการใดไหมอ่าก็จริงเข้าไปพูดแบบเข้าไปเจ้าเห็นว่ามุนขิคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์ซึ่งว่าจะคิดการขบต่อแผ่นดินนั้นเนะ่ะคงจะเป็นไปไม่ได้ แต่ที่ต้องมาทำการทางนี้ก็เพราะขัด บ, บูขิวเขียมิได้หรอกข้าพเจ้าจะขอไปเ ก, กลียกลวอมบุญขินบุญขินก็จะยอมมาสมัครเข้าด้วยทานนี่กินใต้โบซึ่งมาอยู่กับสุมาสูเพราะคิดจะฆ่าสุมาสูแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะฆ่าเดเข่ามาบอกกล่าวกับสุมาสูเป็นใจความเช่นนี้ ก็จะไปเกลี้ยกลอมบุญขิน ม, มาให้สุมาสูนะก็เห็นชอบด้วยก็ อ, อนุญาตให้ไปอินใต้โบกแต่งตัวใส่เกราะขึ้นมาควบตามบุญขินไปจนใกล้แล้วก็ร้องตะโกนเรียกบุญขินว่าบุญขินท่านเห็นเราหรือไม่จําเราได้ไหมเราชื่ออินใต้โบ บุญขินเลี้ยมาเห็นอินใต้โบกก็ถอดบวกวางบนหลังมา้าและก็เอาแส้มาชี้หน้าอินใต้โบกอ่าแล้วก็ร้อนด่าอ่อินใต้โบกก็ว่าบุญขินทําไมจึงยกทับหนีอ่ะจะรั้งรออีกสักหน่อยหนึ่งก็จะได้การอ่าอินใต้โบกว่ายอย่างนี้ บุญขิงก็หยุดหยุดอินไต่บก็พูดต่อไปว่าท่านเนี่ยเพราเห็นว่าสุมาสูตัวหนะักใกล้จะตายอยู่แล้วจึงงวงเนียไว้ฝ่ายบุญขิงนี่ก่อใหมร่รู้น้ําใจอินไต่ บ, บกเหมือนกันยังไม่รู้ความหมายว่าจะเอาอยัางไงกันแนะ่รู้แต่ว่าอินไต่ บ, บกมาอยู่กับสุมาสูกับปัตตุละ่ะก็ร้องด่าแล้วก็ยกเกาทางที่เจนีฝ่ายอินไต่ บ, บกเนี่ย ความจริงเนะี่ยตนไม่ใช่จะมาฆ่าบุญขินนี่แต่หบุญขินทำอย่างนั้นก็เกิดน้อยใจนะร้องไห้เลยและก็ชักมากลับไปฝ่ายบุญขินเนี่ยก็พาถางหนีไปทางเมืองเฉียวฉุนแสดงว่าอินใต้บอกอ่าความจริงจะออกมากระทำการเพื่อตนเองด้วยแหละคือจะฆ่าสุมาสุให้ได้ ก็เพียงแต่จะงวงเหนียวมึนขิมเข้าไว้ก่อนแต่มุนขิมกลับไม่ยอมฟังอีว่าไขลมใบได้ตั้งสิบด่าว่าชัดเกาทานจะยิงเนี่ยยิงใต้บอกเลยไม่รู้จะทําอย่างไรก็กลับมุนขิมก็โยกฐานหนีไปครั้งต่รู้ว่าจูกกจ่กะเอียนจะูกกะเอียนทหารชูมาสูไปตีเมืองเิวชุนได้ก่อนแล้ว บึงขิมก็จะยกไปทางเือนหางเสียก็ไปพบกองทาพของเอ่าจุนองกีเปนไงยกมาส ก, กัดเป็นสามกองมึงขิมเห็นจะหากไปนี้ได้เนี่ยก็ยกไปเมืองกัางต่า ง, งสมัครเข้าเป็นข้าของสุนจุนซึ่งเป็นมหาอุปราชแห่งเมืองกัางตงไปเลย ก็เป็นว่ามุนขิงบุญเต็กพ่อลุกแตกกันตายพลัดกันตายพลับกันตายเอาบะบุญขิงมุ่งทะเลาะเปิดเปลือไปอาศัยอยู่กลางต่างแบบที่นิดไฟบุญขิงเขียนผู้ทีจะล้มล้างชูมาสูให้จงได้แต่ไม่สําเร็จถอยมาตั้งอยู่เมืองฮางเสียต่อมาก็ร่วมเงินชิวชุนเสียเสียแล้วทับมุญขิงก็พ่ายยับเยินไปกองทัพสูมาสู ก็ยกมาเป็นสามฐางมาตั้งอยู่ใกล้เมืองฮังเสียมูขิวเขียนก็ยกฐานออกรถเหลงเตงไงโยกออกมามูขิวเขียนก็ไอ้การยงออกสู้สู้ยังไม่ทันถึงเพลงเลยเตงงนียมีทั้งสถิตปัญญาและฝีมือเตงไงเนี่ยฟันด้วงงาวถูกกันหยงฐานของมูขิวเขียนตาย และวก็คุมฐานมุกลุกไล่เข้ามาเอาจุนองกีก็ยกฐานโจมตีเข้ามาร้อมกันเลยทีเดียวบุคิวเขียบเ็นจะสู้ไม่ได้แม่ก็พาฐานคนสนิท ป, ประมาณสิบคนหนีไปยังเงินสิงขวนญสองเป็กเจ้าเมืองก็เกปิดประตูรับและแต่งโต๊ะเลี้ยงแต่พอบุคิวเขียเ ม, มาสุวาสองเป็กเจ้าเมืองสิงขวน ก็จับบูอขีเขียนค่าเสียแล้วก็ตัดเอาศีรษะส่งไปมอบให้แก่สุมาสูสาสก็เป็นอันว่าสุมาสูปราศดูขีวเขียนได้สำเร็จราบขับก็ได้ตั้งให้จู้กัดเหยียอเป็นนายฐานใหญ่ ได้ว่าจาัด ก, การเมืองเอจิ๋วและเมืองห่วยหลังกับเมืองใน บ, บังคับท่านตวงจาัด ก, การเรียบร้อยแล้วซูมาสุก็ยกทัพกลับเมืองรูโตซูมาสู ชนะสุดนะี่ยใช่แล้วกลับมือหูโตแล้วก็ถูกต้องละ่ะแต่ว่าเจา้าลวงตานี่สิอือที่มาสูนาานนานเนี่ยอ่าจะโกรธมากเปนเจ้ลูกกตาปลาทูเนี่ยก็เอาละชนะสุกก็ชนะสุดหรอกแต่ไม่ชนะสังขาร ต่วยมนกลับมาเจ็ตัวดลวงตาเป็นกำลังเวลากลางคืนนอนไม่หลคืนนั้นเคลิ้มมอยไปหน่อยหนึ่งก็แลเห็นรีฮองเดียวอีกแฮาเฮียนสามคนนี่สามคนที่ตดนฆ่าตายทีมนีเองแหละมายืนอยู่หน้าเตียงนอน สุมาสูเห็นบุคคลสามมายืยนอยู่หน้าเตียงนอนเราต้องเผืว่าเห็นวิญญาณเลยเรื่องผีปีศาจ ส, สามคนนี่มาเนี่ยก็รู้ตัวทีเดียวว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วก็จึงใช้คมปลายมีดเล็บเรียกหาสุมาเจียวคู้เป็นน้องให้มาอย่า ง, งหุ่นโตสุมาเจียวโครบมายังหุโต สุมาสูให้เข้ามาอย่างเตียงนอนเลยทีเดียวะเพราะตนเจ็บหนักอยู่แล้วสุมาเจียวเข้ามาถึงเตียงนอนพี่ชายเห็นพี่ชายป่วยหนักอยู่กระนั้นจะไม่รอดแล้วก็ร้องไห้สุมาสูก็ติงสั่งว่าขัดทำราชการมาก็ได้เป็นที่มหาอุปราชอุาสารักษากตัวมาได้ไม่มีอันตราย เจ้าจะทำราชการแทนที่พี่สตบไปชนิดให้อุตสาห์จงระวังรักษาตัวให้จงดีถ้ามีราชการเป็นข้อใหญ่อย่าไว้ใจแก่ผู้อีกจะเสียราชการจะถึงฉิบหายสิ่งทั้งโค่นี่สุมาสูสั่งสุมาเจียวทุน้องชายได้เท่าเนี้ย ก็มอบตราตำแหน่งที่มหาอุปราชของตนไม่แก่น้องชายคือการปกครองในระบบนี้เป็นเช่นนี้ตำแหน่งหน้าที่มีสืบพ่ อ, พอกันได้ฝ่ายสุมาเจียวนะ่าก็จะให้พี่ชายสั่งความด้ต่อไปอีกความเวยธาไมในจักสูกรมเริ่มหนักขึ้นสุมาสูร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังแล้วก็ขาดใจตาย คือตายไปด้วยความเจ็บปวดร้าวอ่ะเมื่อสุมาสู๋ตายนั้นเป็นเดือนสี่พระเจ้าโจมอที่ตนเอามาตั้งเป็นกษัตริย์แทนพระเจ้าโจฮองที่ตนพอนออกจากกษัตริย์พระเจ้าโจมอสเสวยราชได้สองปีเสร็จสุมาเจียนั้นก็แต่งการศพสุมาสู๋พิจายตามประเพณี และให้ไปกราบทูลพระเจ้าโจมอพระเจ้าโจมอก็มีน้ำสือไปให้สุมาเจียวตั้งอยู่ในเมืองฮุโตเพื่อคอยป้องกันกองทัพมีการสันนี่พระเจ้าโจมออาจจะเรื่องกิดทาการอันใดประการใดอย่างไรก็ได้คือต้องเรียกว่าไม่ยอมให้สุมาเจียวกลับมาอยู่โลกเอียงแต่ให้อยู่ฮุโตนั่นแหละเพื่อป้องกันกองทัพเมืองกลางสน่ะ สูมาเจียวนะี่ยนะไม่เต็มใจเลยอึ้งอิงอยู่แต่ก็ไม่รู้ไม่รู้ที่จะตอบประการใดอะด้วยวันนี้เป็นรับสัง่งถ้าขับรับสั่งขึ้นนี่เหตุผลาจะเกิดจะตามมาประการใดอย่างไรกู ย, ยังไม่รู้ทีแต่ประการสำัญที่สุดผมพูขึ้นมารับตำแหน่งนี้เนี่ยจมหอยจมหอยจนหอย บัดนี้เป็นคนสำคัญก็ดะจงโหก็จิงว่าแกสุมาเจียวท่านมหาอุปราชก็พึงหนับสูนน้ำใจทหารทั้งปวงก็ยังมีราบครับท่านจัดตั้งอยู่เมืองฮโตนี้แม้มีคนคิดร้ายหุ่นวายขึ้นข้างในวงังซึ่งจะไปกำจัดนั้นเห็นจะมีทันท่วงทีสุมาเียวก็เห็นด้วยล่ะตนก็คิดเช่นนั้นอยู่อะ ก็ยกฐานไปตั้งอยู่ณนะตมบนโลกซุยฝ่ายพระเจ้าโจโมอนเนี่ยพอรู้เข้าจานันนาก็ตกใจนะักทีเดียวก็พรมีรับสั่งไปให้ซูมาจิโอตั้งอยู่ที่ฮุโตะแต่ซูมาจิโอไม่อยู่ฮุโตะกลับยกมาตั้งอยู่ที่เมืองโลกซุยนีย่ซึ่งมันใกล้กับโลกเอียงพระเจ้าโจโมอนนะวิ่งตกทีเดียว คุณนาผู้ใหญ่คุณชื่อว่า อ, องศ ก, ก็จึงทูลว่าขอให้พระองค์ตั้งให้สุมาเจียวเป็นมหาอุปราชว่าราดการแทนที่พี่ชายให้มีน้ำใจเพื่อทําให้ถูกต้องเสียหนะพระเจ้าโจมอก็เห็นชอบด้วยก็ใช้ อ, องศกเนี่ยถือหนังสือรับสั่งไปหาสุมาเจียวให้สุมาเจียวมาจัดตั้งให้เป็นที่หมหาอุปราช สุมาจียก็จึงมีโอกาสข้าวฝ้าพระเจ้าโจมอได้อย่างถูกต้องเมื่อเข้าเฝ้าแล้วก็เราทำคำนับรับพี่ตำแหน่งนั้นสุมาเจียวก็ได้หวังจากการทั้งแผ่นดินเหมือนพี่ชายนี่เป็นเหตุการณ์วุ่นวายทางฝ่ายเมืองวิกก็ลอกยงเรื่องงูตนี่แหละ อยไปกราวทางเสฉวนบ้นางฝ่ยผู้สอดแนนบราชการนเนืองเสฉวนต้ก่อมาสอดแหน ส, สืบซับาข่าวคร า, าวทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็รู้ความทั้งสิ่งทั้งปวงเนี่ยสมสัชูตายแล้วก็เนื้อความีิแจ้งไปแ ก, เก่เกียร์อุยเกียร์อุยเก้าเนื้อความเนี่ยกราบทูณพระเจ้าเราเสียนอะไรก็จิงหลัก สุมาสู่ผู้ตายสุมาเจียวได้เป็นมหาอุปราชแทนพี่ชายเห็นจะทิ้งเนงโลกเยงไม่ได้ไดเลวยเพิ่วาระการใหม่บ้านเนียงทั้งปวงยังไม่ปกติราคาข้าพเจ้าจ ะ, จะขออาสาไปตีมือวีก็เห็นจะได้ถ้าเจ้าเราเสี่ยงนั้นเอ่อมิรู้จี่จะขับประการใดอะ ก็จึงยอมให้เกยงุไปเกียงอุอยอก็ลาออกมาอย่างมือหันตรงเป็นเมือทหารน้ำสําคัญของเสฉวนแหละเอาตัออกมาอย่งหันตรงแล้วกดจัดแจงกองทัพที่จะยกไปเปรียวเอกนายทหารใหญ่ผู้นึ่ก็จึงห้ามวะขอบาหันแต่เสมาเมื่อเสฉวนก็น้อย หาปลาอาหารก็เบาบางถึงจะยกทัพไปทานกลายนั้นจะขัดสนขอให้แต่งทหารแต่รักษาหูเมืองของเราไว้ให้มั่นคงให้ราศดร อ, อยู่เย็นเป็นสุขข้าพเจ้าคิดอย่างนี้หึงจะมีความเจริญแก่บ้านเมืองของเรานี่เปียวเอกล่าวเช่นี้ข้ว่าอย่าเพิ่งยกไปกระทำย่งดีผู้ใดใคอรอื่นเลอะกีงอุ้นีก็จริงว่า ที่ท่านว่านี่ก็พรเจ้าไม่เห็นด้วยแต่ครั้งก่อนเมื่อท่านมาอุปราของหลงคงไม่งอาจยังมีชีวิตอยู่ก็ได้รับรับสร้าจากพระเจ้าราบปีพเพื่จะรวบรวมแผ่นดินทั้งสิ้นทั้งปวนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียให้จงได้และต่อมาเมื่อหมาปราชองหลงคงไม่ร่วมรับไปแล้ว และตัวท่านยังไม่ได้เข้ามาเป็นข้าราชการก็ได้ว่าไว้ว่าแผ่ดินเนี่ยยังเป็นสามส่วนสามกอยู่เชน่นนี้ครั้งเมื่อท่านเข้ามาทำราชการแล้วเชน่นนี้ก็ยกไปทีเมืองเวียก๊กไปตั้านอยู่ณที่เขาอีสานถึงหครั้งราชการก็ไม่สําเร็จหมาอุป ร, ราชหหลมของเบ่งนั้นก็ดับศูญย์เสร็จกลางคัน เมื่อจะหนับศูนย์ก็ได้สั่งเราไว้ให้กระทำการนี้สืบ ต, ต่อไปครั้งนี้เราได้ท่วงทีแล้วก็จำที่จะอาส า, าเจ้าแผ่นดินไปทำการสนองพระคุณตามประเพณีชาติฐหารถึงจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตเมียงวีโกสิเป็นอริกับเรามาก่อนจะยกไปตีให้จงได้ในครั้งนี้มีเกียงวี ให้เหตุผลโป๊ะเทียนเปียวอกนายถานผู้ใหญ่ขึ้นเช่นนี้แห่หัวป่าแห่หัวป่าข่ า, กาเก่าดึล็กเอียงผูก โ, รรโกรธแคนมืกบลกเอียงมากอยู่เนี่ยแห่หัวป่าก็จริงว่าที่ท่านว่านี้ชอบแล้วขอยกกองทัพไปทางเปาสิ่วเราไปตีเอาเมืองเจ้าเส๋เมืองลํำอันึ่งเป็นเมืองสําคัญให้ได้แล้ว ก็จะได้รู้เรื่ทั้งตัวโดยสะดวกแหวกป่าสนาับถือเกมอื่นที่หนึ่งนี้เตียวเอ็กก็จริงว่าถึงยกไปทำการครั้งก่อนนั้นนะ่ะเดินทับชานะจึงไม่ได้ใช่ไหมในที่สุดก็ต้องกลาบมาในตำราพิชยยัยสงครามว่าไว้ว่าแม่ทัพแม่กองถูกทำสงครามจะไปสีเขาอย่าให้เขาทันรู้ตัวจึงจะมีชยัย ถ้าเขารู้ตัวแล้วเขาก็จะปรับเรียนการยึดไว้พร้อมผู้ใดไปตีก็จะไม่สมคันนีเมื่อท่านจะไปตีวีโกให้จงได้มันก็ขอให้ท่านรีบยกไปอย่าให้ข้าสึดทันรู้ตัวเลยเห็นจะได้ชายชนะฝ่ายเดียวเตียวเอกจำต้องยอมคล้อยตามเห็นด้วยได้กล่าวแม้ถึงนีบนีเกียร์อุยอ ก, ก็เห็นชอบด้วย ตวักเกินตาหารที่สิ่งเชิงเลยทีเดียวเองทหารทั้งหมดได้ฐานทั้งสิ่หกสิบมนก็สรางให้ยกทัพไปทางเมืองเปาสิ่เป็นันว่เสฉวนเคลื่อนเข้าสูงวีโปละก็ต่อว่าเป็นสุดสำคัญครั้งที่สมของเอียงอุย รังกองทับใหญ่แพร่พล6 0 0 0นเลื่อนไปถึงตำบลแม่น้ำเจ้าซี อ, องสอดแนนก็ ม, มารายงานกับเกียงคุยวาอองเกิงจาเมืองยงจิ๋วและต้านไายนายฐานรองคุมฐาน7 0 0 0ยกมาเกียง์ุยก็จึงคิดกูบายให้ฐานทีใ่ใหญ่ยกไปเป็นสองกอง ให้ไปตีว o k หลังเตียวเอกกับแหววฝานายทารผู้ใหญ่ทั้งสองเนี่ยก็ยกไปและเกลือก็ยกกองทัพข้าไมไน้าเจ้าสุยไปตั้งอยู่ริมฝั่งข้างฝ่าพุทธมันตกฝ่าย อ, องกิงก็คุมฐานเข้ามาจาัดตีรันกองทัพก็ามาใกล้แล้วก็ร้องถา ม, ามว่าเงือกุยกับเงืองการตานและเมืองเสฉวนสามเงืองนี้ ก็ต่างอยู่เหมือนก้อนเสาที่เป็นสามหมู่สามกองสามก้อนสามบ้านสา ม, มาเมืองเนี่ยถ้าต่างคนต่างอยู่ก็จะมีความสุขเหตุอันไหนอ่ะท่านึงยกกองทัพมาตีเรานี่เขามีการเจรจากันก่อนเอาเหตเอาผลก่อนเฮงๆก็ร้องเข้าไปว่าพระเจ้าจูหองเงันนะ่ะริดชอบละการใดอ่ะ สุมาสูจึงยกออกเสียจากระเบีสมบัติแล้วเอาพู้นมาตั้งเป็นเจ้าอ่ะคุณนางทั้งครัวเห็นชอบเ้็ยกันกสิ้นเราหยุดต่างเมืองแต่ก็เห็นว่าวีกกทาผิดประเพณีโบราณนั้จึงยกทับมาทำโทษหวังที่จะไม่ให้ข่าแต่ดินเยี่ยองอย่างซื้อไปเรื่องหน้าจริงมือยกเอกนี้ขึ้นมาอ้าง่ แต่จะวถูกว่าควรประการใดเป็นเรื่องของเจ้าเรื่องของใครประการใดอย่างไรมีเออก็อยากเหมือนกันละ่ะเอาเกงอุ้อ้างเหตุอย่างเนี้ตอนของเวงยกกมากาอ่านเอพระเจ้าเราปีนี้รับสั่งไว้อืแล้วก็เพื่ออืพระราชาวงศ์ราชวงศ์หั่นเนี่ยที่วิเกงอุ้ยนี่อ่านว่าสุมาศูนย์นี่เคยทำผิดนี่ต้องมาสั่งสอนละ่ะ องเก๋งเด็กวันทินอุยยกเหตุนี้มาตราพจนใจไม่รู้จะตอบอยังไรก่อนแลดูหน้านายฐานสี่คนอันมีโจเบง้งหัวเองเหลาตาจูหองทั้งสีนี้และองเก๋งก็จริงพู้อ่ะกองทัพเสฉวนอะน่ยยกข้ามาตั้งอยู่ฝาคขนันถ้าเสียทีแกเราทาหารเสฉวนจะตายในน้าทั้งหมด แต่เกียนอุลีคนนี้ก็มีกำลังมากนะก็ไม่เห็นหน้าผู้ใดจะต้านทานเขาได้เลยเราเห็นแต่ท่านเราเห็นแต่ท่านทั้งสี่คนเนี่ยจงชุ่มเกันก็คงพอจะรับรองได้อยู่ถ้าเขาเสียทีถอยไปแล้วท่านจงพาฐานไลยบุกมันให้จงสามารถองเก่งหันมากล่าวกับมาฐานทั้งสี่ของเตอร์นีน์ละก็ออกคำสั่งให้ฐานเข้ารบ ไม่ต้องเจราจากันหรอกเลี้ยงอุ้ยก็รบรบไปได้หน่อยหนึ่งก็ชันมากรับพาฐานหนีมาทางค่ายองค์เก่งก็เร่งรีบยกฐานไร้ติดตามเลี้ยงอุยอถอยมาใกล้ริมแม่น้ําแล้วก็พาฐานหนีเรียบฝั่งน้ําไปข้างทิศตะวันตกแล้วก็ร้องประกาศแก่ฐ า, านววาาดังกล่ว่าหากสุดไร้มาใกล้อยู่ดัชนี เราท่าน ท, าทาั้งวงก็เป็นเชื้อชาทหารแต่ร้นดีๆนี่ฝีมือกล้าหาญเคยทำการสงคลามมาแต่ก่อนเหตุใดครั้งนี้จึงมายอดท้อแต่ข้าศึกนะทหารข อ, องแสงไม่อยู่ข้างทิศตะ ว, วันออกนีเกียรอุ้งกล้าบุกปอกใจทารของตนเนี่ยคือบางครั้งก็ใช้วิธีนี้แหละใช้ความขับจนนี่แหละให้ทานกล้าสู้ตายกันละยร์อุ กลว่กลวผูกปอบกำลังใจฐานของตนเช่นนี้ทีนี้กล่าวไปข้างฝ่ายอเจียวเ็แหววปา่าสี่เกียงอุอ้ไปซุ่มไว้แล้วนะครั้งรั่วกองทับรบกันอยู่นี่ทั้งสองนั่นก็เตยโมกลันเข้ามากอง น, นึ่งเตยเข้าไปข้างหน้ากอง น, นึ่งเกียงอุย น, นั้นกด น, นํากำลังทับของตนนั่นปงปูนตั้งเป็นสนาทำรุกฮัพาฐานไล่บุกบันเข้าไปเป็นสามกองเลย ก็ขับทารอองเก็งลงไปข้างแม่น้ำทหารอองเก๋งขึ้นลงไปก่อนนะ่ะอยูกลัวน้ำก็รั้งรออยู่ที่หนีลงไปข้างหลังนี่ก็มีมากก็ออกคับข้างกันอยู่ริมน้าทางมาทางโคมเก่งอวี๋เตียวเอ็กแผลหัวป่าก็ตีกระนำเข้าไปทหารอองเก๋งทั้งกลุก็ ร, รุนแรง เหียบย่ำกันล้มตายริมน้ำนั่นประมาณถึงสองส่วนหนีลงน้ำได้ก็ตายในน้ำซึเป็นอันมาทหารเกียงอวีนะัดซิสาฐาน อ, องเกงได้เป็นจำนวนหมืนม่นเลยทีเดียวฝ่าย อ, องเก่งนั้นก็พาทหารร้อยเศษตีหักออกไปได้หนีไปทางเต็กโตเสียและก็เข่าเมืองได้ ก็ปิดประตูเมยบให้รักษาไว้เป็นมั่นคงฝ่ายเกียงอ์อีมีชายชนะก็เรียงดูทาหารให้บำเหน็จกลางวันอันนี้ก็เป็นแต่ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกติดควรละเน้นเลย ท้าทำดีก็มีบังเนต์แต่ถ้ัทำผิดเป็นโทษเป็นพันก็ต้องลงทั้งลงโทษกันนะอา้ามหิ้งเมื่อ ม, ม, ม, มีชายชนะน้ามากขา่งดูเป็นการใหญ่แต่บนันเดตรองวันกันแ้วตามสมควรแล้วก็ปรึกษากันละว่าเราจะยกตามไปปีเมืองติ๊กโตเสียทห า, านาท่นพวงเฉลิมปการใดเบียวเอกเอียวเ ก็เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของกองทันเกียงอุยเนี่ยถึงจะมีความเห็นขัดแยงกันมากก็ตามเถอะแต่ก็ยังงยินยอมตามอำนาจของเกียงอุยอยู่ตัเวเอฟเนี่ยก็ห้ามไงตัเวเอฟก็ห้ามว่าท่านทการครั้งนี้มีชายปรากฏเป็นเกียรติยศอยู่แล้วขอให้ลดแต่เพียงนี้เถอะจะทําการต่อไปอีกถ้าเพียงพรำมันจะไม่เสียไปหร็น เหมือนเขียนสารพิษแล้วเขียนเท้าด้วยให้เห็นตีนมูอเออนี่คำนประมาณนี้ก็สาคัญทีเดียวเหมือนเขียนสารพิษแล้วเขียนท้าด้วยให้เห็นตีนมูเนี่ที่ตีลเอ็กกล่าวชะนีนี่ด้วยที่จะรู้สถานการณ์ของเสฉวนของตนมีอยู่อ่ะ ปวดเจ้าชนะวีโกะมาเป็นที่ยากรบ ก, กันต่อไปก็มีแต่เจ้าย่ำแย่แพ้ยักเยินอยู่สิฝ่ายเคียงอูยได้กฝังกระนี้ก็มียอมคิดถึงเช่นนั้นหรอกกพูดที่ท่านว่ามีนิชชอบแต่ก่อนเรายกทับมาทำการเสียทีเป็นหลายครั้งแต่ครั้งเนี้เราส่ามมาอีกก็ได้ชัยชนะทหารยิงวีโกแตก คั้นี้ยับเยินแหลกเหลวนะน้ำใจอ่อนอยู่แล้วคือเสียกำลังใจสิ้นแล้วถ้าเรายกตามไปตีเขาอีกทหารเราสิ้นมีน้ำใจคือมีกำลังใจดีก็เหจะได้เมืองติ๊กโตเสียโดยง่ายไม่ัำรับยิอยู่เจ้าอย่าท้อใจเลยเกียร์อุ้ยว่าอย่างนี้เตียวเอกก็สู้ห้ามอีกถึงสามครั้งเกียร์อุ้ยก็ไม่ฟัง ยกถัไปยังเมืองเต็กโตเสียฝ่ายต้านถ่ายเสียถักเสียทีเกะเกียงอุยไปแล้วเอาไปเกลียกควอมส่องสมทหารที่แต ก, กกระจายไปรวบรวมบ้างแล้วก็จะมาช่วยองค์เก่งครั้นเห็นเป็นงายเจ้าเมืองคุณจิ้วคุมทาหารหนุนมาก็มีความยินดีนะ ตานถ่ายก็ไปรับเต็นงนายเข้ามาเต็นงนายก็จึงว่าธ่ามหาอุปราชให้ขบเจ้ายกกองธรพมาช่วยมหาปราชในตอนนี้ก็สุมาเกียวสืบที่แทนต่อจากสุมาสูพี่ชายสุมาสุสืบที่แทนต่อจากสุมาอีภูบิีบบาตำแหน่งนี้เขาสืบพอดกันได้ เป็นไงนี่ครูบะท่านหมหาอุปราชให้ยกกองทัพมาช่วยต้านถ่ายก็จริงวะและท่านจะคิดอ่านประการใดะจริงใช่มีใัยเป็นายก็จริงวะท่านหมหาอุปราชให้ขบเจ้ายกกองทัพมาช่วยหมหาปราชในตอนนี้ก็สุมาเจียวสืบทอดแทนต่อจากสุมาสูพี่ชายสุมาสูสืบทอดแทนต่อจากสุมาอี้ผู้บิดา นี่ตำแหน่งนี้เขาสืบพอดกันได้อ่อาเตงไงนี่พูดว่ท่านมาหาป ร, ราชญ์ทยุกองทัพมาช่วยต้านไายก็จริงว่ะและท่านจะคิดอ่านประการใดจึงใชมีใช้เป็นไงก็จริงว่าเพียงอุยมีใช้แกเราที่ริมแม่น้ําเจ้าสุยแล้วถ้าตั้งเลกลียกล่อมานสี่วัวเมืองในแว่นแควนนี้ได้แล้ว กระทำการต่อเข้ามาเข้าไปเจ้าเห็นว่าเราจะขัดสนถ้าเกียนวีุ้ยกระทำเช่นนะั้นคือเบิชนะแล้วก็ต่างกองเพียบกลมไฮเดรสีหัวมังสําคัญนี่เป็นกําลังยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยวีโก้เนี่จะขัดสนแต่นี่เกียง์อก็หากระทำเช่นนั้นไม่บัดนี้ยกทัพตรงเข้าไปล้อมเมืองเต็กโตเสียเราจะกลัวอันใด ด้วยว่าเมืองเต็กโตเสียนั้ น, นมั่นคงนะถึงจะตีประการใดอย่างไรก่อนหาสำเร็จหม่ถ้าเรายกกองทัพซุ่มอยู่หน้าเขาหังเนียคอยเมื่อกองทัพเกียร์อุยยกมาแล้วให้ล่อรวงดยกลก็จะหนีไปเป็นมั่นคงหาต้องพักถึงรบพุ่งกันไม่นี่เป็นไงว่ายังหกหลงเลยทีเดียวละ่ะ คืออ่านข้าสึกซะก่อนหาข้าสึกทําอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่ข้าสึกไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยกลับมาทําอย่างนี้ต้องแก้กันอย่างนี้นี่ต้านท่ายฟังความคิดเป็นไงเราเห็นชอบด้วยคุยกันฐานยี่สบกองกองละ50สิบคนให้กราบเรียนพูุและประทัดให้จงมากคือเป็นเพียงแต่กองรวงเท่านั้นเองนีให้ซุ่นอยู่เยที่ศอกขาวหางเนี่ย ถาทัพเกียรอุยยกมากยจุดพลุจุดประทัดเทึงลงไปลโรโหร้องอื่นๆไม่จงหนักนี่กองทําลายขวัญเท่านี้แหละไม่ใช่ต้องเป็นกองรบก็จัดเพียงกองละห้าสิบคนห้าสิบคนทีนี้ทางฝ่ายเกียรอุยเอาไปล้อมเมืองเต็กโตเสียนะ่ะก็ให้ตั้งค่ายเป็นแปะค่ายล้อมเมืองเต็กโตเสียเข้าไว้แล้วก็ทหารปืนกำแพงทลายป้อม กระทำหยกดกระนั้นยังหนักถึง9ก้าวันเสบวั น, วนก็ยังแหกเข้าไปนี้ได้นายจิสุก็จนใจมีรู้ที่จะคิดอ่านประการใดต่อไปละ่ะก็กลัดกุ้มรำคาญใจนะไม่อากระทาการได้สมเร็จครั้นเวลาคำ่ำกองสอดแนมก็ให้มาใช้มาบอกว่าบัดนี้มีกองทัพยกมาเป็นสองกองทงอันหนึ่ง มีนืนงสือสำคัญว่าตานไถ่เกียงอ้ายจงกุลทงอีกอันหนึ่งว่าเปงไงเจ้าเมืองกุนจิ๋วนี่รายงานเข้ามาอย่างนี้เกียงอุยได้ทราบขาวนี้ตกใจทีเดียวก็เป็นกองทัพสำคัญมาถึงสองกองเนี่ยขาดึกมีกำลังเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็เรียกหาคุณนายนายถามมาปรึกษากันล่ะแอร์ป่าก็จีว่า เต็นไงจเจ้าเมืองกุนจิวคนนี้ฝีมือรบพรุ่ก็กล้าหาญมีสติปัญญาชำนาญในการสงคราม ต, ตั้งแต่แฮววปามาสามิาพระตอเก่งอุยเกีงวุยเคยถามเป็นความสาคัญว่าในวีโ ก, กนะ่ะมีใครที่เก่งกาจสามารถแฮววปายอมรับสองคนคือจงโฮยกับเต็นไงนเนี่ยบัดนี้แฮววปา ยืนยันว่าเนี่ยแต่งไงเนี่ยอดเยี่ยมล้วเกียงอุย ก, ก็จีวากองทัพเขายกมาไกลทหารจะต้องมือร่าระสัมราสายอยู่เราเร่งยกเข้าไปเยาเลยเห็นจะได้ท่วงทีอย่าให้ทางข้าศึกตั้งค่ายมั่นคงลงได้เกียงอุยว่าดังนี้แล้วก็ไม่ต้องรอปรึกษาหาหรือใครละ่ะสั่งการให้เตียวเอ็กคุมฐานเข้าตีเมือง มีเมืองเป็กโตเสียเนี่ยให้แหวบป๋าไปตีกองทัพต่ามไายส่วนตัวเองคือเกียร์อุยยกทัพไปตีกองทัพเต็งไงเมื่อเคลื่อนทัพไปได้ประมาณสักห้สิเส้นเคลื่อนทัพไปได้หน่อยเดียวว่างั้นได้ยินเสียงธุ ป, ประทับเสียงคนโหรองเสียงกลองอุยอุ่นสนันทีเดียว แผลไปก็เห็นธงปกร้ายรอบนาราดไปหมดก็ตกใจนะคิดว่านี่ถูกคนสุกเป็นงงายเข้าแล้วเห็นจะเสียทีเกียงปุยได้ยินเสียงประทัดอื่นกรกั น, นิงเข้าชนีนี่คิดเลยว่าถูกโนสุดเป็นงงายเขาแล้วเห็นจะเสียทีก็ถอยทับและใครมาใช้ไเรเลยหากองทัพเดียวเอ็ให้เลยกองทัพกลับเมืองหันโงเลย ฝ่ายเกียงอุยนั่นก็มาอยู่เป็นกองระวังหลังครั้งถอยมาถึงด่านเกียมกกเขาถึงรู้ว่ากองทัพที่ร้อมตัวไว้มากมายนั่นนะ่ะก็ไยินเสียงโ h รองเสียงประทับเสียงผูสัญญาณฝสนั้นอึงนี้นั่นนะ่ะนึ่นนะ่ะเป็นโกนศึกของเต็งไงทําร่ำ ล, ลวงให้ตกใจต้องหนีมาอย่างเนี้ยเกียงอุยมารู้เข้าทีหลังเช่นเนี้ยเสียใจนะ แต่ก็ถอยมาแล้วกลับมาถึงหนึ่งหันตุ๋งแล้วก็พานายทัพนายกองทัพพวงไปเฝ้าพระเจ้าเหลาเสียนณเมืองเสฉวนแล้วก็กราบทูเรื่องราวที่ตนได้ไปกระทำมาแต่ต้นจนปลายละ่ะเอาก็ได้ใช้ช น, นะแต่ ว, ว่าอย่างนั้นเแตแล้วก็ยกระับมาเนี่ยพระเจ้าเหลาเสียนเห็นเกียงอุยมีชัยได้ความชอบมาก้อ้เลื่อนที่เป็นไตจงอุนเกียงอุยก็ทูลลากรับ ไปเมืองฮันตงแต่ในใจนั้นผูกพันกรูแค้นเตง่ายยื้อนะคอยกาะป ร, ะริบ ม, มาไปฝ่าตราวุธเครื่องสะพายุธทธ์พร้อมแล้วมีหนังสือเไปกราบภูณพเจ้าออสเตรยนี้ว่าจะขอไปตีเมืองวีโกกอีกครั้ง เป็นไงวะเกียงอุย e ไม่ยอมละยอมรดสามครั้งผ่านมาแล้วต้องเรียกว่าไม่ได้ดีได้ดีอะไรขึ้นมาเลยแต่ก็รายงานวาความชนะการชนะแต่มันชนะแล้วก็ต้องถอยนก็จะวัดอย่างไรอาการแต่งต่างพระราชพันธ์ยศลุ่นตําแหน่งก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นแหละอือจะเข้าเตีงวีโก้อีกครั้งหนึ่งนี่ก็จะเป็นศึกครั้งที่สี่ของเ e อียงอุยละ่ะ ทีนี้หังไปกล่าวฝ่ายองเก่งหรือองเก่งผู้ผ่าแพ้เกียอุยหนีเกียงอุยกับไปอยู่ในเมืองแล้วก็ปิดประตูเมืองต่อสู้หวางนั้นเถอะบัดนี้รั่วเกียงอุยติดตังทัพเป็นแปดข่ายแปดกองล้อมบ้านล้อมเมืองตนอยู่เนราดทัพหนีไปแล้วนีเพราะเตงายมาช่วยเนี่ยองเก่งก็ให้เชิญเตงไงก็ามากินโต๊ะในเมือง แล้วก็แต่งหนังสือบอกความชอบของแตงไงเข้าไปกราบพูลแกพระเจ้าโจโมอพระเจ้าโจโมอก็ให้ตั้งแต ง, งายเป็นอันสัยจงกุลคุมทหารอยู่รักษาเมืองเองจิ๋วพร้อมด้วยต้านท่ายเมืองเหล่านี้เป็นเมืองชายแดนติดติดกันอยู่กับแดนเสฉวนเนี่ยอเองจิ๋วนี่เป็นเมืองสำคัญแต่ก่อนนู้นแทนวป๋าอยู่รักษาเมืองเองจิ๋วเนี่ย อาบัตินี่แต่งแต่งเป็งงยอยู่กับตานทายเนี่ยแต่งงายนั้นเมื่อได้รับมือรับสารในเกาะไปคำนับรับตราตามแบบอย่างตามธรรมเนียมตานทายก็เชิญเป็ ง, งายไปกินโต๊้แล้วก็จริงว่าทหารมือเสฉวนแพ้แก่ความคิดท่านครั้งนี้เห็นจะไม่ยกมาอีกแล้วตานทายว่ายอย่างนี้แต่แเปงนายนั้นตอบว่า แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าทหารมือเสฉวนเนี่ยจะต้องยกใหม่อีกด้วยเหตุถึงห้าประการนี่แตง่ายกล่าวอย่างนี้เลยท่านทายก็ถามว่าเหตุห้าประการนะ่ะคืออันใดอย่างไรข้าพเจ้าจะขอฟังให้แจ้งแตง่ายก็จริงว่าเหตุเป็นประถมนั้นคือคือข้อที่หนง ทหารมืองเสีชวนหนีไปก็จริงแต่ว่าไม่ได้เสียรีพนและมีชัยชนะไว้ก่อนได้มาศาสตราวุธของเราไปเป็นอันมากฝ่ายข้างเรามีชัยให้เขาหนีไปก็จริงแต่ฝ่ายเราพ่ายแพ้มาก่อนเสียริพลศาสตราวุธไปมากนะนี่เหตุหนึ่งเหตุอันเป็นคำรบสองนะั้น อทหารเมืองเสฉวนได้แบบอย่างที่คงเบ่งฝึกสอนไว้ชัดเจนพร้อมเพรียงชำนิชำ ม, มานในการสงครามนะทหารข้างเราเนี่ยหาจะไม่ชำมาเหมือนเขาไม่ีเหตุด้วยมีทหารชำมาสึกมากกว่าเป็นเหตุสองเหตุทำรบสามคือทหารเสฉวนยกเข้ามาทางบก ทางเรือบรรทุกลำเลียงมาส่งหาได้ลําบากแต่ทหารไห ม, มเขายกมาทางบกสเบเรียนส่งมาทางเรือไม่ลําบากข้างฝ่ายเรายกมาแต่ทางบกลําบากด้วยสเบเรียงอาหารไหมมีเหตุประการที่สามเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบของการส่งสเบงเรียนเหตุเป็นคำรบศีกคือเมืองเต็กโตเสียนั้น เอ่เต็กโตเสียและหลงเส่ลำอันเขากีดสารเมืองเหล่านี้กว้างขวาง น, น, นะทหารเสฉวนนะ่ะได้มาอยู่เนืองๆรู้แห่งรู้ตำบลแยกย้ายรายกันเข้ามาทุกทานทหารเรารักษายากนะนี่ประการที่สี่คือคือว่าเขาชำมาในภูมิประเทศแถบนี้แหละ เหตุ hate, อันเป็นคทำรบห้าคือฐานเสฉวนจะยกมาทําการครั้งใหก็มาอาศัยสเสบียงหานในเมืองเกียงเป็นกําลังทุกครั้งข้าพเจ้าเห็นเหตุห้าประการดังนี้จึงว่ากองทัพเมืองเสฉวนจะต้องยกมาอีกเป็นมั่นคงเป็นนายอธิบายให้ฟังอย่างนี้ต้านถ่าย ผู้วา่าผู้ที่กล่าวว่าเสฉวนคงไม่ยกเข้ามาอีกเป็นแน่เนี่ยก็เห็นด้วย้วยเหตุและผลทั้งห้าประการของเต็งงายทีเดียวจึงสัเ่เสริญว่าท่านนี้มีสติปัญญาสอดส่องร่วงรู้ไปดังนี้เจตัวอันดาดแก่ฆ่าสึก แล้วต้านท่ายกเป็นไงก็ต้างสัตว์สาบานเป็นพี่น้องกันตราเท่าจนวันตายแล้วข่าฐานทั้งวงฝึกสอนการสงครามให้ชามาลไว้ทุกประการและจึงให้ฐานไปตั้งค่ายรายอยู่รักษาด่านซึ่งเป็นที่คับขันมั่นคงทุกตําบงเป็นอันว่าทางฝ่ายวีโกบโลกเอียง มีเตง่ายเป็นแม่ทัพคนสําคัญที่จะป้องกันศึกเสฉวนและเตงงายก็ได้กระทําการไว้เป็นที่กวดขังทีนี้ฝ่ายเกียร์อุยอะได้ขอประชัทนที่จะยกทัพไปตีโรกเอยียงอีกรเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอเชิญฐานมากินโตปรึกษาหารือว่าเราจะยกไปทําการกับเมืองวีกอกครั้งนี้เนี่จะเป็นประการใดโหมผู้หน คือว่าควนเขียนผู้เป็นโหนก็จึงพูดขึ้นว่าท่านยกทัพไปครั้งก่อนได้ชชยชนะมีเกียรติยศปราอดไว้ทหารวีโ ก, ก้เกรงกลัวได้เป็นศักดิ์ศ ร, รีแก่เมืองเสฉวนอยู่แล้วท่านจะยกไปอีกครั้งนี้ถ้าเพี้ยนครั้งเสียทีก็จะพอให้เกียรติยศครั้งก่อนนั้นเสียไป วนเขียนอยู่เป็นโหมกล่าวดังนี้เกียนอุย ก, ก็พูงว่าท่านทั้งปวงว่านี้โดยเห็นว่าแดนเมืองวุกกนะั้นกว้างขวางแล้วก็มีทั้แท้ทหารมากนะักจึงเกรงกลัวแต่ฝ่ายเราเนะ่ยเห็นว่ากองทัพเราได้เปรียบเมืองวุกกมากนะักโดยเหตุถึงห้าประการจึงมิเด็กเกรงเลยีเกียนอุย ก, กล่านี้เหมือนกันเรามาดูปัญญาบุคคลทั้งสองนี้ ถามท่านผมก็ถามว่าเหตุห้าประการนั้นมีสิ่งใดบ้างขอท่านเด้โปรดแจ้งเกวียนก็ปรนนาเหตุหประการให้ฟังก็มือที่เตงไงชี้แจงให้ตานถ่ายฟังนั่นแหละเอาเหตุได้เปรียบห้าประการของเสฉวนเป็นอย่างนี้เอาชี้แจงเหมือนกันแหละแล้วก็จึงสรุปลงว่าขบเจ้าเห็นได้เปรียบถึงเพียงนี้ จินเต็มใจที่จะไปตีวีกกเมื่อกรนี้แล้วมิไปนะจะไปเมื่อไรเล่าแฮว์ับป่าแฮว์ับป่าต้งกล่าวว่าคนของวีกกโลกเอียงอยู่โลกเอียงไม่ได้ก็จึงมาอยู่กับเกียร์อุเยเนสเฉวณเนี่ยแฮว์ับป่าเนี่ยได้พูดขึ้นว่าเป็นนายคนนี้ เ็นเด็กอยู่ก็จริงแต่ว่ามีสติปัญญาหลักแหลมนะครั้งนี้ก็เด็กเป็นถึงที่อันสยจงกลุ่มแล้วเห็นจะจัดแจงแทแกทหารรักษาบ้านเมืองระด่างทางซึ่งเป็นที่รับขัน ม, มั่นคงยิ่งกว่าเก่าเราอย่าดูถูกจะเสียการความจริงแ ห, หวปาก็ท่วงติง้งด้วยความริสุทธิใจของตนนี่แหละแต่เกียรอุยผู้มุ่งมั่นจะ ทำหันวีกกให้จงได้เนี่ยได้ยินแถ้หัาปากล่าวชะนี้เนี่ยก็โกรธมนะักถึงร้องตรวัดิอริจิว่าจะทาการใหญ่ซิมาพูดอย่างนี้ให้ฐานน้ำพงเสียน้ําใจใครใดอย่าได้มาห้ามปรามข้าพ เ, เจ้าเลยเข้าเจ้าไม่ฟังแล้วเกียร์อุยว่าอย่างนี้เพราะตอนนี้ถ้าจะว่าพระเกียร์อุยนี่กลุ่มอํานาจบ้านการทหารไว้ในกํามือตอนคนเดียว ทหานเสฉวนอยู่ในกำมือตอนคนเดียวละ่ะถึงจะมีได้ถึงตำแหน่งเขาป ร, รารการใดอย่างไรก็ตามเถอะแต่อามาตตนะ์น่ยพร้อมอยู่ที่เก่งอุยอ่ะถึงกับปล่าวว่าใครอย่าห้ามปรามเลยข้าพเจ้าไม่ฟังแล้วว่าแล้วก็สั่งให้ยกกองทัพไปตัวเองคุมหารเป็นกองหน้ายกไปฐานน้ำพง ก, ก็ยกตามไปจนถึงตำบลเขากีดสาร อันว่าเพียงอุย๋ยผู้เป็นใหญ่ฝ่ายการทหารแห่งเสฉวนไม่ยอมให้ใครคัดค้ า, านพันธ์นั้งสิ่งละสร้างเคลื่อนทัพไปถึงตาบลเขากีสารแล้วตามธรรมเนียมรับก็ต้องส่งกองสอดแนมออกไป ส, สืบรับซาบข่าวครา ว, าวต่างๆก้อนสอดแนวก็ให้มาใช้กลับมารายงานว่าทหารมืองวีก็มาตั้งค่ายสะกะัดทางอยู่นี่ถึง9ตําตบล เป็นก้าวค่ายด้วยกันเนี่ยนี่ถ้าจะว่ารลดังแฮ่วปาท่วมติงไว้แล้วนะเป็นไงมาเป็นใหญ่ยินงนี้แล้วเนี่ยคงจะต้องจาัด ก, การทหารรักษาบ้านเมืองด่านทางไว้มั่นคงนะรายงานขาน่าวอุตสาหกรรมก็ไม่เชื่อขี่ม้าพาฐานขึ้นไปบนเนินเขาก็าได้เห็นค่ายรายกันไปดูท่วงทีการตั้งค่ายนะ่ะเหมือนดังอสอรพิษ คือมีศรีรษะและมีหางมีหัวมีหางคอยที่จะวกกระวัดรักคนมีการตั้งขายของเขาเกียรอุยก็จึงว่าแฮร์วป่าว่าไว้ก็สมคำเป็นไงคนนี้ความคิดดีนะพิเคราะห์ดูเห็นประหนึ่งคล้ายกลึงท่านมหาอุปราชอาจารย์ของเราซึ่งจะหกโมเข้าไปนะ่ เห็นจะเสียทีชะรอยเตงนายจะต้องอยู่ในค่ายอันนี้เป็นมั่นคงเกียง์วิเห็นเข้าแล้วนี่ยอมรับเลยยอมรับว่าเตงายนี่เทียบเท่าหกหลงของเบ้งเลยทีเดียวเกียง์วิวาดแค่นันแล้วก็พาฐานกลับลงมาให้ตั้งค่ายมั่นอยู่ปากฐานและสั่งให้ฐานออกราดตระเวนเป็นห้าพวกพวกละห้าร้อยให้แต่งตัวแปลกๆกันไป ถือธงห้าอย่างสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีแดงสีดำไม่ให้เหมือนกันละแล้วก็ตั้งเตาเชา่านายทหารให้อยู่รักษาข่ายแล้วก็กําชับว่าทำรักษาข่ายจงดีตัวข้าวเจ้าจะยกไปตีเมือง เสวนยกมาตั้งอยู่ปากทางช่องแครดไายวันแล้วมีแต่ยกมาตีมีแต่ให้ทหารมาเที่ยวรัตเวนหนุนพางร้อยหนึ่งบงั่งรยห้าสิบบั่งแล้วก็กลับไปผลับเปลี่ยนเวียนกันมาวันละห้าพวกแต่งตัวแปลกๆกันถือธงกับปางสีกันมีเป็นไงพิจารณาสิ่งที่ตนเห็นน่ะเป็นไงก็ขี่มา้าพาฐานที่ไปดูบนเนินเขา แลเห็นไข่ของเกียงอุยแล้วก็กลับลงมาบอกแก่ต้านท่ายว่าข้าพเจ้าคันเนว่าเกียงอุยคงหาได้อยู่ในไข่ใหม่จะต้องยกไปตีเมืองลําอันของเราเป็นมั่นคงเดิมฐานที่ยกมา ร, ราดตะเวนนั่นก็เบาวบางขอให้ท่านยกไปไปไข่เกียงอุยเอาให้จุมได้และตั้งสกัดต้นทางไว ส่วนข้าพเจ้าจะยกไปช่วยเมืองลำอันเองถ้าเกียงอุยถอยแล้วข้าพเจ้าจะรีบไปตั้งอยู่นัดเขาบูเสียงสันและจะซุ่มฐานไว้สองฟากทางที่ทองแคบถ้าเกียงอุยยกมานัดที่นั้นก็จะยกไปกรหนาเข้ามาเห็นว่าจะเสียทีแกเราฝ่ายเดียวเป็นนายสรุปอย่างนี้เลยคือต้องได้ใช้ชนะแน่นอนท่านท่ายก็จินว่า ข้าพเจ้ามาอยู่รวงเง้เมืองหลงเส่เนี่ยชานานประมาณ 20-30 บสปีแล้วแต่ก็ยังหารู้จักแผนที่ทั้งกวงใงไม่ท่านอยู่แต่หนอืน่นที่ไกลแต่เหตุใดจึงรู้จักแจ้งทุกแห่งทุกตำบลเหมือนเทวดาที่ท่านว่ามาทั้งสิ้นนี้ชอบมะเร่ยงยกไปเถอะข้าพเจ้าจะเข้าหาเอาค่ายเกียงคุยให้จงได้ า ย, ยอมรับสติปัญญาเต็งงไงเลอทีเดียวตนเองแม้จะอยู่ที่นี่มาตั้งยี่สปีนี่ยังไม่รู้จักคุณมีโประเทศทั้งบงได้เพียงพอเมื่อยอมรับและเต็งไงก็ยกทับไปตามทางลักเร่งรีบไปถึงเขาบูเสียงสารก่อนเกียงอุยไปถึงก่อนตั้งค่ายมั่นอยู่บนเนินเขานั้นและเต็ ง, งางก็เต็งตรงผู้เป็นบุกและสู้เมาผู้เป็นนายทหาร คุมฐานคนละห0 0พันสั่งให้ยกไปตั้งอยู่หน้าที่สอกเขาตำบลตวนโก้นายฐานสองคนก็ยกไปซุ่มอยู่ในค่ายแต่ยกไปซุ่มอยู่ตามคำสั่งแล้วส่วนว่าในค่ายของเต ง, งายเนี่ยเต ง, งายก็คำสั่งให้ฐานทวงสงบเสียงเหมือนไม่มีผู้คนแม้แต่ทงทิวก็มีให้ปักไว้ เกี้ยงอุยยกไปเมืองลำอันเลไปถึงหน้าเขาบูเสียงสันทางที่จะไปเมืองลำอันก็ก็ถือว่าแก่แฮว์วับป่าว่าภูเขาที่นี้เป็นที่ขับขันมั่นคงนะักถ้าเราเข้าตั้งค่ายอยู่ได้ก็จะได้เมืองลำอันโดยง่ายแต่ว่าขบเจ้าเห็นว่าเตงงายมีความคิดเตงงายอาจจะยกทัพมาตั้งสกัดอยู่ก่อนก็ได้ เก่งอุกล่าวคาเนจะนิสิ้นคําเท่านั้นเองอะได้ยิงเสียงประทับเสียงกรองเสียงคนโห่ร้องยกลงมาจากภูเขาและเห็นธงมีหนัสือสําคัญว่าเตงไงออกองหน้าก็ตกใจนะักเก่งอุ๋ยก็ยกหมุนขึ้นไปทหารเต็งไงก็ถอยไปเก่งอุ๋ยก็ไล่ไปตามไปถึงหน้าค่ายที่เดียวและให้ท า, ารร้องคาทายเป็นข้อหยาบช้าให้เตงไงออกมารบกัน แต่เตงไงก็รู้จึงตั้งมั่นไว้ไม่ออกมาฝ่ายเกียงอวีนะ่ะจะหักเข้าไปก็หักเข้าไปมีดได้เพราะจึงให้ฐานไปตัดไม้ขนศิรามาตั้งค่ายประชิดฐานเต็งไงก็ยกออกมาไล่ปีฐานเกียรอีวุ่นวายจะตั้งค่ายก็มีดได้ไปตัดไม้ก็มีสะดวกขนศิราก็ไม่สําเร็จ ก็ต้องถอยกลับกลับมายังค่ายเก่าคือฐานเก่งอุ๋ยจะให้ตั้งค่ายนะัดกระทำไม่สําเร็จถูกฐานเปงไงามารบกวนโจมตีอยู่ครั้รุ่งเชา้าเกยงอุ๋ยก็ยกฐานไปตั้งค่ายอยู่นาะที่เขาวดูเสียงสัน่นค่ายยังไม่ทันมั่นเลยคือตั้งยังไม่ทันสําเร็จมัน่นคงอ่ะเมื่อรายยามเสร็จเปงายก็ส่งฐานห้าร้อย เ, เชื้อเพลิมาเผาค่ายขึ้นเผาค่ายได้สําเร็จก็เข้าไปวุ่นวายโดยทีเดียวเกียงหุยตั้งค่ายไม่ได้กเกียงหุย ก, ก็เลิกทัพกลับมาก็ปรึกษากับแพรวศป่าว่าเราจะยกไปตีเมืองลำอันนีเด็๋จะไม่ได้เสีแล้วเราจงรบเอาเมืองอเสียงเท่งเถิดเพื่อเป็นที่ไวสเบียงอาหารเมื่อตีได้เมืองเสียงเท่งแล้ว ก็จะได้เป็นกำลังราช ก, การของเราเมืองล้ำอันก็จะพลอยให้ได้แต่โดยง่ายข้าพเจ้าจะยกไปตีเมืองเสียงเท่งส่วนท่านก็อุตสาห์ตั้งค่ายมั่นไว้แต่ไกลให้เ hey, ป็นางควรระวังอยู่เก่งอุตสังแหวร์วป่าจะนี่แล้วเก่ีอุตังก็ยกทหารไปแต่ในเวลากลางคืนวันนั้นละ่ะครั้นรุ่มสว่างก็แลเห็นเขาเป็นช่องแคบกันดานนะ ก็จึงถามผู้นำทางว่าท่านผูเขาเนี่ยชื่ออะไรผู้นำทางก็บอกว่าชื่อเขาตวนโกะเกียนอุลีนก็ตกใจทีเดียวก็จริงว่าเขาอันนี้เป็นที่ขับขันชื่อเสียงก็ร้ายอยู่หาดีไหมถ้าข่าสุดยกมาสกัดหยุดทางที่จะกลับเราจะมิอับจนขัดสมหรือ เกียงอุยว่าแล้วก็ อ, อั้มอินอยู่ เ, เราพอจะเห็นว่าเกียงอุ้ยเริ่มอับจนเสแล้ว์คือ อ, อั้มอึนเนี่ยมันมั น, ม, นมันจนก่อนแล้วจนทิดใจแล้วขนะนั้นก็กองสอดแหนมก็เข้ามารายงานว่าเห็นฝุ่นเห็นฝุ่นฟุงฟง้งขึ้นหลังเขาเทโยจะมีกองทัพยกมาเกียงอุ้ยได้แจ้งแล้วก็จะถอยทัพกลับ ฝ่ายสุเมาและเต็งตง๋งบุตรเต็งไงอะ่ะยกฐานออกตีกระนบราบไรมาเกียงอุย ก, ก็รบพลางหนีพลางค่อยถอยมาฝ่ายเต็งไงอะ่ะก็ยกทัพตีสกัดไว้กองทัพทั้งสามของเต็งไงคือเตงไงหนึ่งเต็งตงหนึ่งสุเมาหนึ่งก็ตีระนมเข้ามาพร้อมกันทหารเกียงอุยทหารเสฉวนประสําระสายร่มตายเป็นมากทีเดียว แต่ก็พอดีแหวป่ายกกองทัพมาทันตีกระนาบเข้าไปทับแตง่ายก็ถอยไปเกียนอุเยก็ออกมาหาแหวบป่าได้ก็จะพากันยกกลับไปค่ายเขากีสารแหวป่าก็บอกว่าเขากีสารของเราน่ะแตกไปแล้วด้วต้านท้ายยกมาตีเขากีสารแตกเป้าเฉา ผู้เป็นนายฐานรักษาค่ายก็ตายกองทัพมันลากลับไปเมืองฮันตงแล้วนี่เขเรียกว่ากองทัพสำคัญตั้งค่ายอยู่ณที่เขาพีสารน่ะพ่ายแพ้ผัวนายตายทัพรากลับเมืองฮันถงแล้วเกียร์อยก็จนใจไม่รู้จะคิดอ่านประการใดสือไปล่ะแต่แรกมีอ่ำอือแบนี้จนใจเลย <c oughs> ขับจนไม่รู้จะคิดอ่านการสืบไปก็ลากทัพกลับไปตามทางน้อยริมเขาฝ่ายเตงงายก็ยกกองทัพรไรติดตามมาเกียร์อุ้ยให้กองทัพตั้งพวงจะถอยไปก่อนส่วนตัวเองนั้นลงมาอยู่รังหลั ง, ลงมาเป็นกองระวังหลังหลักเกียร์อุนน้ยนีก็ได้รับภายพอดคุณธรรมประการสําคัญจะโกหลงเข้าไว้เป็นที่ยิ่ง คือจะต้องถนอมชีวิตไพร่พลของตนเป็นที่สุดเท่าที่จะกระทำได้บัดนี้เมื่อต้องถอยตัวเองก็อยู่มาเป็นกองระวังหลังแหละครั้นยกถอยมาถึงริมเขาต้านท่ายผู้ตีไข่เขากีสารได้สาเร็จนะนำทหารมาซุ่มอยู่ตามแผนของเตงไายอย่งางไรเราต้านท่ายเอาฐานมาซุ่มไว้แล้วเห็นกองทัพเกียงอียกมาก็พาฐานออกไปสกัดไว้ ทหารเตงไงทหารต้านทายก็ล้อมพับเกียงอุยเขาไว้อีกฆ่าทหารเกียงอุยตายเป็นอันมากฝ่ายเกียงอุยจะหากออกไปด้านไหนก็มีได้เปี้ยวหนีทหารของเกียงอุยยกมาถึงเข้าเห็นในนั้นก็พาฐานประมาณสามร้อยโจมตีกระนําแหวกก็ไปช่วยเกียงอุยออกมาได้ คือเมื่อฝ่ายนี้ตีกระหน่ำเข้าไปเกียร์อุ ก, ก็ตีกระทบออกมาได้แต่ว่าเตียวหนีผู้นํากําลังสามร้แหวกวงร้อมเข้าไปช่วยเกียง์อียนะถูกเกาทันฆ่าศึกตายเส้นในที่รกเกียร์อุพาฐานเหลือตายหนีกลับไปเมืองหันป ง, งแล้วก็ระลึกถึงคุณของเตียวหนียิ่งนะักที่ได้เข้าไปช่วยชีวิตปมไว้ได้ เตียวหนีเป็นคนสัตว์ซื่อสามิพัททำราชการจนตรวจตายในการศึกก็าห้บำเหน็จรางวัลแก่บุตรภรยารูปล้านหวานเครือเตียวหนีเป็นอันมากแล้วก็จัดแจงผู้สื่งในราชการเอามาตั้งเป็นนายทหารแทนที่เตียวหนีบัดนี้เป็นหักเกียงอุยไปประสบความพ่ายแพ้ยับเยินกลับมา อย่าว่าแต่่ายเขากี่สารเลยกองทัพของตนเองก็ย่ำแย่ตัวเองก็แทบจะไม่รอดถา้างนี้เลยเกียงอินทางนี้เลยเตี่ยวหนีสละชีวิตไปช่วยตวนออกมาแล้วละก็คงจะรอดอยากครั้งนี้เกียงอุ๋ยก็กระทำเหมือนมาอุปราชองหลงของเงกูรงุงรับไม่เคยกระทํามาแล้วคือเกียงอุ๋ยก็ปรึกษาโทษตัวเองเลย ว่าเรายกทัพไปทำการครั้งนี้เสียชีวิตพรายลพลพาหนะ